พอดดปีนั้นได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์พักอยู่ที่วัดเก่าๆข้างสถานีชุมทางบ้านดารา ต่อมาไม่กี่วันได้ไปนั่งพักเล่นอยู่ที่ศาลาเวลาประมาณบ่ายสองโมงเศษได้มีโยมคนหนึ่งกับพระองค์หนึ่งเดินเข้ามาพักร้อนในศาลานั้นด้วยจึงได้สนทนากันต่างได้ทราบเรื่องของกันล่กันคือพระกับโยมสองคนนี้มีหนังสือรายแทงออกเดินทางเที่ยวหาขุดศัพท์ตามสถานที่ปรากฏในลายแทงจะเดินทางไปขุดที่จังหวัดพิษณุโลกโยมผู้ชายคนนั้นชื่อพันโทสุดใจ เป็นนายทหารนอกราชการพอตอนเย็นๆเขาก็ออกเดินทางจากไปจะไปพักที่ไหนไม่ทราบตอนเช้ามืดในคืนนั้นเวลาจนสว่างได้ยินเสียงคนมาเรียกเราแต่ดึกนึกในใจว่าเอใครวะมาเรียกจึงลุกออกมาดูมองเห็นพันโทสุดใจคนที่ได้พบกันเมื่อวานนี้เองจึงถามว่าโยมีธุระอะไรเขาตอบว่าผมนอนไม่หลับตลอดคืน ในเวลานอนมันให้คิดถึงหน้าท่านเสมอว่าท่านจะไปอย่างไรคนเดียวจะไปถึงเมืองโคราชโนนนึกแล้วก็อดสองสารถ้าไม่ได้ฉะนั้นผมขอถวายค่ารถท่านเพื่อเดินทางไปโคราชสิบบาทเราก็แสดงความยินดีรับไว้โดยได้เรียกโยมวัดนั้นมารับแทนและเก็บไว้ให้พอตกเวลากลางคืนได้เกิดมีความคิดขึ้นมาว่าเขาจะมาดอกเราเสียละกัง นึกถึงธนบัตที่เขามาถวายคงจะเป็นธนบัตปลอมกระมังพอคิดดังนี้ใจไม่ดีจึงเรียกโยมให้เอาธนบัตที่คนถวายไว้มาดูสิว่ามันปลอมหรือเปล่าโยมกรับรองว่าไม่ปลอมลุวงขึ้นคืนที่สองพันโทสุดใจได้มาหาอีกแล้วพูดว่าผมใจไม่ดีกลัวว่าค่ารถที่ถวายท่านไว้จะไม่พอแล้วเขาได้ถามว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ จึงตอบกับว่าไปพรุ่งนี้เขาตอบว่าผมจะจัดการซื้อตั๋วให้และไปส่งที่สถานีแล้วเขาก็กลากับพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ไปจัดการซื้อตั๋วเป็นเงิน11บบาทเดินทางได้ถึงโคราชและจัดการส่งขึ้นรถไฟโดยเรียบร้อยได้เดินทางโดยทางรถไฟมาสถานีนครสวรรค์ถึงสถานีนครสวรรค์เป็นเวลากลางคืนหาที่พักก็ลาบาก มองเห็นสาราหลังหนึ่งว่างๆอยู่ก็ได้เข้าไปพักที่นั่นผูกกรดวางบาดแล้วก็นั่งพักผ่อนมีโยมคนหนึ่งอายุประมาณกลางคนได้มาขอพักเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งว่าคืนนี้ถ้าเขาเป็นขโมยบาดและบริการของเราคงหมดเพราะรู้สึกเหนื่อยมากคงนอนหลับสนิทแต่เอาละช่างมันในที่สุดก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร กลับได้ประโยชน์จากแกเสเอกคือพอรุ่งเชา้าแกได้จัดซื้ออาหารมาถวายเสียด้วยซ้ำเวลาประมาณหนึ่งโมงเชา้าก็ได้รีบขึ้นรถไฟพร้อมกับโยมคนนั้นเพื่อเดินทางต่อไปโยมคนนี้แกอยู่ที่อำเภอกระ บ, บินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีแกได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมลูกสาวของแกที่จังหวัดพิจิตเมื่อรถไฟถึงสถานีชุมทางบ้านพาจีเราได้จับรถขบวนใหม่ไปจังหวัด นครราชสีมาเดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาเวลาประมาณหกโมงเย็นได้ไปพักกับพระอาจารย์สิงห์ซึ่งได้มาตั้งสํานักอยู่ในจังหวัดนี้เป็นเวลาสามปีแล้วได้สนทนากันก็ไม่ได้ทราบข่าวพระอาจารย์มั่นเลยว่าท่านไปทางไหนตกลงก็ต้องจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนี้จนชวนข้าพรรษาได้มีโยมทั้งอําเภอกระโทอกปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอโชคชัย มานิมนพระไปจำพรรษาในอำเภอนั้นพระอาจารย์สิงห์ได้ขอให้เราไปโปรดโยมคนนี้คือคุณอำนาจอํานวยกิจในอำเภอกระโทอกจึงได้ตกลงรับไปโปรดโยมตามคำสั่งของพระอาจารย์สิงห์และไปทําการอบรมพระเนน ญ, ญาติโยมอยู่ที่อำเภอ น, นี้เป็นเวลาสองปีปีแรกเมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าโยมผู้ชายป่วยมากก็ได้ดําริจะเดินทางไปบ้านเพื่อเยี่ยมโยม วันแรม8คำ่ำเดือน11คุณอำนาจในอำเภอได้นิ ม, มนต์ประเทศที่บานก็นจะออกจากวัดได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเวลาประมาณบ่ายห้าโมงเย็นได้มีกระรอกฝูงหนึ่งประมาณ100ตัวเศษได้วิ่งขึ้นไปอยู่หน้ากุฏิลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อพระภิกษุเย็นตั้งแต่จำมันสา ม, มาตลอดพรรษาไม่เคยมีเหตุแปลกรประหลาดเหมือนวันนั้นฉะนั้นก็นจะออกจากวัดจึงเรียกพระเ น, นทั้งหมดมาประชุมกันที่กุฏิ แล้วสั่งว่าคืนนี้ต้องมีเหตุขอให้ทุกคนพักควังตัวและให้ปฏิบัติ ด, ดังนี้ 1. เมื่อทำวัดสดมนเสร็จแล้วให้ทุกคนกลับไปกุฏิของตัวแล้วนั่งสมาธิอย่างสงบห้ามคุยกันต่างคนต่างอยู่ 2. ใครมีธุระส่วนตัวที่จะต้องปฏิบัติอาทิเช่นการเย็บจีบอน่นห้ามทำในคืนนี้สร้างเสร็จแล้วก็เดินทางไปบ้านในะอำเภอ เวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้นั่งเทศอยู่บนธรรมาตย์แสดงถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและอุปการกคุณให้ในอำเภอพร้อมทั้งข้าราชการและญาติโยมชาวตลาดฟังเทศไปได้ประมาณ30นาทีก็มีโยมผู้ชายทางวัดวิ่งมาหาสองคนขณะนั้นเราก็มัวหลับตานั่งเทศอยู่โยมสองคนไม่กล้า บ, บอกรอจนเทศจบเขาก็รายงานในอำเภอว่า พระเย็นถูกฟันที่คอแต่ไม่เข้าเมื่อได้ทราบ่างนั้นนายอำเภอจึงเรียกประหลัดอำเภอพร้อมทั้งตำรวจพากันไปสืบสวนเรื่องดาวที่วัดป่าช้าบ้องฉีเราเดินตามไปเพื่อกลับวัดเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามคนร้ายไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปพบนายอินกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งนอนยังไม่หลับนายอำเภอจึงได้จับตัวคนทั้งสองมาค้างไว้ที่สถานีตำรวจ ทางอำเภอได้ทำการสอบสวนอยู่หลายวันส่วนทางวัดเราได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงได้ความสรุปได้ว่าการที่เรามาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ได้รับการยกย่องในการปฏิบัติจากในอำเภอข้าราชการชาวตลาดและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นส่วนมากวัดต่างๆจึงเกิดการอิจฉาไม่ปรารถนาให้เราอยู่จึงวางแผนขูน่ขัญโดยการทำร้ายร่างกายพระฝ่ายตารวจ ได้สอบถามปากคำในอินว่าเหตุไรจึงไปฟันค่ะก็ไม่ได้ความเพราะนายอินไม่ยอมรับในที่สุดหัวหน้าสถานีตำรวจได้มาบบอกว่ามันจะรับหรือไม่ก็ตามผมต้องขังไว้ก่อนเพราะอยู่ในอำนาจของผมพรุ่งนี้ผมจะนำตัวส่งจังหวัดเมื่อได้ทราบชนีก็รู้สึกสงสารนายอินจะว่าไปนายอินผู้นี้เป็นนักเลงโตเก่าแต่เราเคยใช้ซอยเขา เช่นให้ช่วยหาฝืนให้วัดจึงเท่ากับเป็นสิทธิ์ของเราคนหนึ่งฉะนั้นจึงขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจนำตัวนายอินในเพื่อนของเขามาหาในวันนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงหัวหน้าสถานีตำรวจก็ได้นำคนทั้งสองมาที่วัดจึงได้พูดสอนนายอินว่าเรื่องนี้ถ้าเราทำจริงๆต่อไปขออย่าได้ทำไม่ว่าจะเป็นกรับหรือครวญขอให้ละเวน้นถ้าไม่ได้ทำจริงก็นับว่านายอินเป็นคนดี ฉะนั้นวันนี้อาตมาขอบิณฑบาตนายอินจากโัวหน้าสถานีตำรวจนับแต่วันนี้เป็นต้นไปขออย่าให้ในายอินมาทำความเดือดร้อนในวัดฉะนั้นขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจปล่อยนายอินเสดสัตยบัดนี้ไม่ต้องก่อเวรกันต่อไปก็เป็นอันว่าเลิกคดีกันไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานายอินกลายเป็นคนสนิทของวัดใช้การใช้งานได้ทุกอย่างชาวเภอเโชคชัย ที่เคยอิจฉาต่างพากันวาดเกรงมากคือพูดกันว่าลูกศิษย์ของท่านพ่อคือพระเย็นถูกฟันด้วยมีดขอเต็มเหนียวแต่ไม่เข้ามีแผลยาเป็นรอยลากมีดถึงหนึ่งคืบเศษเพียงลูกศิษย์ของท่านยังถึงขนาดนี้ถ้าเป็นตัวอาจารย์จะถึงขนาดไหนความจริงในเรื่องนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไหมไม่ใชเกี่ยวกับว่าพระเย็นหนังเหนียวอยู่โยงคงกระพัน แต่เป็นเพราะวันที่จะถูกฝันนั้นพระเย็นได้ยกเก้าอี้และจากรเย็บผ้ามาไว้ที่พรรยาุติซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรแล้วนั่งเย็บจิบอนอยู่บนเก้าอี้คนร้ายยืนอยู่บนพื้นดินใช้มีดขอด้ามยาวฟันไหลสา ย, ายดัามมีดไปปะทะเข้ากับเก้าอี้เลยมีแผลเป็นรอยลากมีดเท่านั้นเองต่อมาได้เรียกพระเนนทางวัดมาประชุมอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้ว่า ต่อไปนี้เมื่อมีเหตุอะไรยาหวาดเกรงขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปผมจะราไปเยี่ยมโยมที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัดอุบลเมื่อเดินทางไปถึงบ้านพอดีโยมกำลังป่วยหนักเป็นโรคชราเพราะอายุได้69ปีเสร็จแล้วได้พยายามรักษาพยาบาลโยมอย่างใกล้ชิดพอสมควรจนเวลาจะเข้าพรรษาก็าได้กลับระจมพรรษา ที่วัดป่าช้าบ้องชีตามเดิมนับได้เป็นภาษาที่สองเมื่อกลับมาแล้วได้ทราบว่าโยมถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเดินสิบแรมสี่คำเมื่อออกภาษาแล้วรู้สึกถึงพระจันรมั่นมากขึ้นทุกทีจึงคิดแต่ในใจโดยไม่ได้บอกกับใครๆว่าในรืแรงนี้เราจะต้องไปจากที่นี่จึงได้ออกเดินทางไปที่วัดสารวันจังหวัดนครราชสีมา เพื่อราพระจันทร์สิงห์ท่านก็อนุญาตให้ไปได้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เดินทางกลับไปลาพระเนนญาติโยมที่อมเผอโชชัยมีเพื่อนที่รักกันมากเป็นคนดูแลก่อสร้างวัดอย่างเข้มแข็งเขาได้พูดกับเราว่าไปแล้วถ้าไม่กลับมาจำมสาอีกจะแช่งให้ตายนะจึงได้ตอบว่าเราได้พูดกันมามากแล้วในเรื่องไม่เทียงจะมาเอาอะไรกันอีกเรา เพื่อนคนนี้คือหมอวาดเป็นหมอประจำอำเภอโชคชัยนั่นเองตั้งแต่บัด น, นั้นก็ออกเดินทางเข้าป่าลึกในดงอีจานผ่านไปทางกิ่งอำเภอนังรองจนกระทั่งถึงภูเขาพนมดงใกล้เขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขึ้นไปพักวิเวกอยู่บนยอดเขาบนยอดเขาลูกนี้มีปราสาทหลายหลังมีสะน้ำใหญ่ๆอยู่บนยอดเขาเขาลูกนี้อยู่ห่างไกลหมู่บ้านมาก วันหนึ่งไม่ได้ฉันจังหันแต่นั่งนอนภาวนาได้ดีต่อมาวันหลังได้ลงจากยอดมาพักอยู่ที่สระใหญ่เชิงเขาหนึ่งคืนได้ใส่ปินาบมาฉันต่อจากนี้ได้เดินทางต่อไปอีกหลายคืนจนต้องถึงอำเภอตลงุงจังหวัดบุรีรัมย์ที่อําเภอนี้คุณอำนาจอํานวยกิจได้ถูกย้ายจากอำเภอโชคชัยมาเป็นในอำเภอที่นั่นพอดีเมื่อได้พบกันเข้าก็าาพากันดีใจได้พักอยู่พอสมควรแล้ว ได้ดานในอำเภอเดินทางไปประเทศขเขมรในอำเภอก็เป็นธุระจัดการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปทางประเทศขเขมรต่ําถึงบ้านฉลอกอำํำเภอพันดงใหญ่ถึงอำเภอสวายเจกจากอำเภอสวายเจกเดินต่อไปถึงสีโสพลเมื่อถึงสีโสพลได้มีประชาชนมาสนทนาธรรมด้วยประชาชนเหล่านั้นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เดินตามเราเป็นฝงๆมาได้รา จ, จากเขาบางคนทั้งหญิงทั้งชายผ้าัน绒ห่ายที่อำเภอสวายเจกมียมคนหนึ่งนับถือเรามากได้พาลูกสาวมาคุยด้วยทุกวันลูกสาวเขาบอกกับเราว่าเขาไม่เคยมีสามีเลยฟังดูสำเนียงเขาอยากให้เราอยู่ในเมืองนี้เขาจะยินดีช่วยวเราทุกอย่างขอให้อยู่เถิดนานวันเขา้าก็จกจะรู้สึกชอบพอกันมากขึ้นทุกที เห็นถ้าจะไม่ได้การเราต้องรีบนี้ไปจึงได้ราเขาออกเดินทางตรงลงมาทางทิศตะวันตกถึงอำเภอศรีโสพลเดินทางต่อไปถึงจังหวัดพัทลองไปพักอยู่ที่ป่าชา้าวัด ต, ตะแอกอยู่ห่างจากในเมืองประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้ไปพบยมคนหนึ่งเป็นเพื่อนของคุณอำนาจอมริกิตได้ทำการต้อนรับอย่างแข็งแรงแนะนาให้รู้จักใครต่อใครมากมาย เมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ลาเขาเดินทางต่อไปยังจังหวัดเสียมราชไปพักอยู่ในดงที่ป่าช้าแห่งหนึ่งได้มีคนมาทําบุญด้วยต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปพักที่นครวัดไปเที่ยวดูวัตถุโบราณของเก่าๆมากมายได้พักอยู่ที่นครวัดสองคืนวันแรกได้ชันจังหันวันที่สองไม่ได้ชันรู้สึกว่าเวลาออกบิณฑบาต ไม่ค่อยมีคนใส่บาตจึงตัดสินใจว่าเราไม่ต้องกินวันนี้ในการเดินทางไปครั้งนี้ได้มีลูกศิษย์ติด ต, ต, ตามไปสองคนเป็นเด็กพระอีกสององค์รวมเป็นห้าคนด้วยกันออกจากนครวัดได้เดินทางต่อไปยังเมืองพนมเป็นได้เดินทางขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่โตและสูงมากมีที่สงัดวิเวกดีน้ำท่าก็บริบูรณ เขาเรียกว่าพนมกิเลนบนยอดเขาสูงลูกนี้มีต้นลิ้นจีป่ามากมายมีลูกแดงสุกอารามคำว่าพนมกิเลนแปลเป็นภาษาไทยว่าภูเขาลิ้นจีป่ามีหมู่บ้านเล็กๆประมาณ20่สิบโอยู่ ร, บรอบๆเขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดโยนแห่งหนึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลักติดไว้บนเงื่อมผาใหญ่ได้พักอยู่ที่นี่ประมาณสามสี่คืนระหว่างพักโจ ได้ถือโอกาสไปเที่ยวดูถ้ำต่างๆใกล้ๆที่พักมีบ้านประมาณสิบฝารังคาเืนินพอได้อาศัยบิณฑบาต ท, ที่วัดยวนนี้มีพระกมรอายุประมาณห0สิบปีหนึ่งโรบพระองค์นิตาเสียหนึ่งข้างมีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนว่างๆก็นั่งคุยธรรมะกับท่านส่วนถ้ำนั้นมีอยู่สองถ้ำถ้ำหนึ่งได้พักอาศัยอยู่กับศิษย์ถ้ำเดสองอยู่ห่างจากถ้ำพะ ประมาณห้าว่ามีเสือใหญ่มาอาศัยอยู่แต่ในขณะนั้นเป็นเวลาเดือนเมษายนมันได้ออกไปอยู่ป่าตําถึงฤดูขา้ามาจึงกลับเข้ามาอยู่ถ้าตามเคยตอนบ่ายได้เดินทางออกจากถ้มไปพักอยู่ที่วัดยวนตามเดิมได้พักอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วได้ออกเดินทางลงจากภูกเขาทางด้านทิศตะวันตกใช้เวลาเดินทางข้ามเขาประมาณสิบชั่วโมงเศษจึงถึงที่ราบ แล้วได้เดินทางผ่านมาทางติดใต้ของภูเขาพักอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีโยมมาเล่าเรื่องแปลกประหลาดต่างๆให้ฟังก็ น, นึกชอบใจเรื่องที่เขาเล่านั้นมีใจความดังนี้มีเขาสามลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณแปดสิบเส้นบนภูเขาสามลูกนี้มีป่าเต็งรังมีฐานน้ําไหลผ่านเรื่องที่น่าแปลกประหลาดก็คือถ้าใครไปตัดไม้ในบริเวณภูเขาสามลูกนี้ มักเกิดตายโหงหรือมิฉะนั้นก็เจ็บป่วยหรือมีอาการเป็นไปต่างๆอยู่เสมอเสมอถึงวาระกลางคืนที่เป็นวันทรสัปปณะปรากฏมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากยอดภูเขาสูงโลกที่สามเคยมีผระสงค์ประจํจามันษาอยู่บนยอดเขาโลกที่สามบางทีก็ตาา้องหนีไปกลางปัญษาเนื่องโดยปรากฏมีลมมีฝนบางทีก็าฟาผ่าเมื่อเป็นชนีจึงอยากนมนเราให้ขึ้นไปปสูต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 และผ่านออกไปพักอยู่ในป่าที่สงัดพอวันล่วงขึ้นได้ออกไปวินธาบารในหมู่บ้านนั้นแต่มียญิงแก่คนหนึ่งถือขันข้าววิ่งตามมาข้างหลังร้องตะโกนดักหน้าดักหลังเลยต้องหยุดรอให้แก่ได้นั่งใส่บาตเมื่อรับบาดเสร็จแล้วก็เดินกลับที่พักแก่ได้เดินตามมาด้วยเมื่อถึงที่พักแล้วแก่ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้จนสว่างชันด้วยฝันไปว่า มีคนคนหนึ่งมาบอกว่าให้รีบลุกขึ้นจัดข่าปลาอาหารเตรียมใส่บาดพระธุดงค์จะมาโปรดแกถึงได้รีบลุกขึ้นจัดการเตรียมการอย่างแฝนพอดีได้พบเราในเวลาบินตบาตจริงๆแกจึงมีความตื่นเต้นมากแต่ได้เราให้ฟังอย่างนี้ถึงเวลาเย็นชา บ, บ้านได้ปาประกาศบอกก่าวกันให้มาฟังเทศพอตกเวลาคำ่ำได้มีชา บ, บ้านพากันมาฟังเทศมาก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 พระเมรรูปนั้นก็ได้มาจริงจึงได้แต่ถามถกถิงธรรมะกันได้ทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติของกนและกันเป็นอย่างดีเรื่องเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันจนเกิดความสนิทสนมกับบรรดาญาติโยมอย่างมากมายต่อจากนั้นได้ร่ำลาญาติโยมเพื่อเดินทางกลับไปยังอาเภอศรีสพลญาติโมยมหญิงชาย ก็ได้ทำการส่งเสียติดตามกันมาเป็นทอดทอดเมื่อถึงอำเภอศรสีสุพ์แล้วได้พักอยู่สองคืนแล้วได้ออกเดินทางไปเยี่ยมถ้าบนภูเขาแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีมีพระจินองหนึ่งได้มาอาศัยวิเวกอยู่ในถ้า น, นั้นจึงได้สนทนาธรรมกันเกิดความชอบพอทูก อ, อกทูกใจกันแก่ได้ชวนให้หยุดจำพรรษาด้วยกันในถ้า น, นั้นแต่ลูกศิษย์ไม่อยากจะอยู่ ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปจนถึงเขตแดนอำเภออรัญญประเทศเข้าเขตประเทศไทยได้พักอยู่ที่อำเภออรันพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางบิเบกไปตามชายขขาบรรทัดตัดเข้าดงลึกจะข้ามเข้าเขตจงัตนะงหวัดนครราชสีมาทางช่องบุกพรามขณะนั้นเป็นเวลาชนเขมรสามีฝนตกมากตลอดทางทากชุม่มการเดินทางไม่ค่อยจะสะดวก จึงพากันเดินบกออกมาทางชายเขาพระงอบเดินทางเรื่อยไปทางช่องวังห อ, อกจนถึงบ้านตะครออำเภอประจันตคามจังหวัดปรา จ, จินบุรีเส้นทางช่องวังห อ, อกนี้ถ้าเดินตรงเรื่อยไปข้ามดงอีกดงหนึ่งก็เข้าเขตอำเภอกิ่งสแกล่างและถึงจังหวัดนครราชสีมาแต่ตกงใจไม่เดินทางต่อไปเพราะฝนกําลังตกชุกมาก ได้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านตะครอนี้นับเป็นปีพศ2477หมู่บ้านตะครอนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขามีห้วยใหญ่ไหลลงมาอำเภอประจันตคามได้พักจำพรรษาอยู่ที่เชิงเขามีสิทธิ์องค์หนึ่งชื่อพระภิกษุสนไม่ยอมอยู่ด้วยเขาได้เดินทางกลับผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปจำพรรษาที่เขาคอกจังหวัดนครนายก ตกลงจำพรรษาอยู่ด้วยกันสองโรคและลูกศิษย์อีกสองคนได้พักจำรรษาอยู่ที่สาราเขา่เขาๆลังหนึ่งริมห้วยใหญ่น้ําดึกในพรรษานั้นได้ถูกน้ําป่าท่วมถึงเจ็ครั้งบางครั้งท่วมมากถึงกับต้องขึ้นไปนอนอยู่บนคือสารารู้สึกว่าได้รับการทรมานอยู่มากในกลางพรรสนีหมู่บ้านนี้หนาแน่นได้ยาเบื่อราษฎร นิยมการขโมยบัวขโมยควายมาฆ่าโจนผู้ร้ายก็ชุกชุมได้พยายามอบรมญาติโยมให้ละความชั่วประพฤติแต่ความดีเจ้ากระทั่งบางคนถึงกับรับทิ้งเรื่องยาเปือ่อและงดเว้นการข้าวซาเจใหญ่อาชิพเช่นวัวควายเรื่องเหล่านี้ได้โด่งดังไปเข้าหูเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีวัดมะกาะเมื่อออกรราแล้วเจ้าคณะจังหวัดปราจีนได้ขึ้นไปติดตามจนพบ แล้วได้เรียกให้เราลงมาอยู่ด้วยพอท่านต้องการพักกรรมฐานจึงได้พร้อมกับท่านเดินทางไปยังจังหวัดปาจินบรีท่านได้นําไปให้รู้จักกับผู้กํากับการตํารวจปาจินบรีได้นําไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดคือหลวงเินสงครามหลวงสินสงครามได้ผู้กจักเจ้าขณะจังหวัดปาจินบรีคํำหนึ่งว่าให้ขอร้องให้เราอยู่ช่วยสังสอนปราบคนร้าย ตามชายเขาในเขตจังหวัดนี้เมื่อได้ยินดังนั้นตัวเองนึกในใจว่าเราต้องรีบหนีออกจากจังหวัดนี้มิฉะนนั้นจะมีข้อผูกพันเมื่อคิดฉะนนั้นแล้วก็ได้นรมาส ก, การลาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบรุรีเดินทางไปอยู่ถ้ำหลวงตาเนขนเขาอิโต้และเดินทางต่อไปยังกิ่งอำเภอสาะแก้วอำเภอกบินบรุรีได้เดินทางเข้าดงดึก ไปสำรวจที่ภักในเขาแห่งหนึ่งชื่อเขาสิงโตเมื่อไปเห็นถ้ำแล้วไม่ชอบเพราะเป็นถ้ำถึกจึงออกเดินทางหันหลังกลับลงมาจากเขาวันนั้นได้เดินทางรัดตัดรงจากข้ามไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เดินลงทางเพราะเป็นเวลากลางคืนได้เดินอยู่จนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่บุกดงบุกป่าเพื่อมุ่งตรงไปหาหมู่บ้านแต่กลับบกคืนกลับมาทางเดิม จนเกือบถึงกิ่งอำเภอสะแก้ววันนุ่งขึ้นเมื่อฉันจังางานเสร็จแล้วได้เอาเดินทางตัดดงมุ่งไปยังเขาชะกันซึ่งอยู่ห่างไกลจากกิ่งอำเภอสัะแก้วประมาณ15กิโลเมตรพอไปถึงหมู่บ้านนี้ก็ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำเขาชะกันภายในถ้ำนี้เป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกไม่มีคนรบกวนเพราะเขาลูกนี้อุดมไปด้วยสัตว์ตรุายนานาชนิด อาทิตย์เช่นเสือมีช้างซึ่งอาศัยอยู่รอบๆเชิงเขาเวลากลางคืนดึกสงัดขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงช้างร้องเดินอา ง, งงหักกิงไม้อยู่รอบๆเชิงเขามีหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากเขานี้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้พักอยู่เป็นเวลาหลายวันต่อจากนั้นได้เอาเดินทางตัดข้ามดงใหญ่ซึ่งไม่มีบ้านคนเลยเป็นระยะทางประมาณเจกิโลเมตร ช้เลาเดินทางสองคืนระหว่างทางต้องพักนอนกลางดงทั้งสองคืนเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยเดินทางเลยมาจนกระทั่งเข้าเขตจังหวัดจันทบุรีเดินทางผ่านบ้านตาเริงบ้านตามูลแล้วผ่านเข้าเขตอำเภอมาขามจังหวัดจันทบุรีเดินบกไปตามชายดงหล้างเขาสะบาบจนทะลุถึงอำเภอคลุ ง, งจังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงอำเภอคลุ ง, งได้ทราบข่าวว่า คุณอำนาจอํานวกิจได้ลาออกจากราชการและมาพักอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเขารู้สึกดีใจมากจึงได้ออกเดินทางผ่านเข้าไปในเมืองจันทบุรีได้ออกไปพักอยู่กลางทุ่งต่อบ้านประดูด้านทิศใต้ของตลาดจันทบุรีแล้วได้เข้าไปเยี่ยมคุณอำนาจธิบ้านคุณอำนาจได้จัดหาที่พักอันส ง, งัดให้แห่งหนึ่งเป็นป่าช้าพีดิบอยู่ห่างจากตลาดประมาณยีสเซนสถานที่นี้เป็นป่าไผ่ ป่าไม้เต้วมีหญ้าขึ้นรกหนาแน่นมีที่ว่างพอจะพักอยู่หนึ่งแห่งคือที่สำหรับเผาผีที่นี้เขาเรียกว่าป่าช้าคลองกุ้งจึงได้ออกไปจำวัดพักโยอาศัยในป่านี้ตอนนี้มีพระแก่ติดตามมาจากจังหวัดป่าจินบุรีอง์หนึ่งและเด็กลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนอกจากนั้นขอลากลับบ้านหมดพอถึงเวลาชนข้พรรษาญาติโยมชาวจันทบุรี ไนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาในป่าชานั้นจึงได้านําเรื่องไปเดียนเจ้าคณะผู้ปกครองท่านก็ไม่รับรองจึงได้สั่งให้คุนอํานาจไปกราบเรียนเจ้าคณะมณฑลที่กรุงเทพคือเจ้าคุณราชกาวีวัดเทพเจดีธาราวาดท่านได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะผู้ปกครองว่าให้อนุญาตให้เราอยู่จำพรรษาในที่นั้นได้ในพรรษาที่เดินทางที่จังหวัดตันทบรุรีและได้เข้าไปอยู่ในป่าชาคลองพวงนี้ ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสีปีพศ2478ั24นปในพรรษาแรกชาวจันทบุรีต่างคนต่างพากันตื่นเต้นสนใจในธรรมปฏิบัติในปีแรกนี้มีพระหนึ่งองค์เนีนหนึ่งองค์ได้มาจับพรรษาอยู่ด้วยเมื่อออกพรรษาแล้วได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆได้มีความสนใจในเรื่องธรรมปฏิบัติกันมากขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายตรงกันข้ามคือพวกที่อิจฉา ที่เป็นพระก็มีที่เป็นโยมก็มีได้เริ่มโจมตีเป็นการใหญ่บางวันก็ปรากฏมีบัตรสนเทศเขียนปิดไว้ตามป้ายกลางตลาดก่อเรื่องเสียหายหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีวันหนึ่งมีผู้หญิงแก่แกคนหนึ่งได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์ของเราออกไปเที่ยวเรือยไหลบอปุญตามตลาดว่าได้จิตตามเรามาด้วยขอสตางค์ขาวบ้างขอข้าวสุกบ้างขอข้าวสารบ้าง ได้ะจะเวนเดินเที่ยวขอจากชาวตลาดทั่วเมืองจึงกะต้่งไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตวรพงศ์หม่อมอนุวัตจึงได้พูดเรียกตัวเข้าไปในบ้านและเปรียบเปยมาถึงตัวเราทั้งๆที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยหม่อมได้พูดตามข้างถนนบ้างตามบ้านด้านตลาดบ้างว่าเราเป็นพระเลวไหลจอนจัดปล่อยให้สิทธิ์ที่มาบอกบุญชาวบ้านเรื่องนี้ ได้โด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตลาดจันทบุรีตัวเองก็ไม่ได้ทราบมูลความจริงอะไรเลยพรเอิญคุณนายกิมลังภรรยาคุณอำนาจและนางเฟิงซึ่งเป็นผู้รู้จักเราอย่างดีว่าเป็นอย่างไรได้ทราบเรื่องเกาหานีจึงได้ตรงไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตรได้ไปพบผู้วจ า, ารย์จังหวัดจันทบุรีอยู่ที่บ้านนั้นด้วยจึงได้เอ่ยตอว่าหม่อมอนวุวัตรว่าท่าน ได้ที่พูดเยียดยามหาเรื่องใส่พระอาจารย์ของฉันโดยไม่มูมลความจริงต่อไปนี้เขาจะได้พูดอีกจึงได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นยกใหญ่ต่อหน้าผู้ว่ารชาชการจังหวัด